บารมีจงถักทอสายใ่แห่งธรรมแก่เหล่าสัพพสัตทังไยขอโพธิธรรมจงปฏิสทานประทานพรแก่โพธิจิตทั้งไยขอเหล่าสัตว์ทังไยมีสุขภาวะธรรมเป็นที่ตังขอความสุขสวัสดี จเจริญในธรรมจงมีแด่พระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายขอคุณธรรมแห่งโพ ธ, ธิสัตว์เจ้าทั้งหลายจงปรากฏจงปรากฏจงปรากฏจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จ แก่ท่านทั้งหลายชั่วกาลนานเทิรนพระโอทิสตยเจ้าทั้งหลายในมือแส้นโลกกระทาจักรวาลในทิศทั้งสี่ในทวีปทั้งสี่ในทิศทั้งแปดในทวีปทั้งแปดในโลกทั้งสามในกามทั้งสี่ ในวัะสงสารทั้งหลายจงเป็นพลวะปัตัยให้ผู้ดำรงอยู่ในธรรมจงประพฤติธรรมผู้ที่ดำรงอยู่ในทิพจงประพฤติทิพยธรรมก็ผู้บำเพ็ญอยู่ในโลกจงประพฤติธรรม ให้มีคิพย์พยสถานสุขาวดีเป็นที่ตั้งแห่งดวงใจบริสุทธิ์ของผู้ใฝ่ใจในธรรมแห่งพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายอันมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายประดุจพี่น้องร่วมอุทธรเดียวกัน ดังมนุษย์ทั้งหลายเกิดจากธรรมทานโค้งตนขอความเป็นที่รักนายเมตตาธรรมจงปรากฏแก่เขาทั้งหลายเมตตากายกรรมขอจงมีเมตตาด้วยกายด้วยการออมน้อมท่องตนด้วยการหยิบยืน ด้วยการเกือกูลด้วยรอยยิ้มด้วยดวงตาหยิบยืนด้วยมืออันบริสุทธิ์สะอาดขอมือทั้งสองจองอบอุ่มชูเลี้ยงดูข้าวทั้งหลายเมตตาเป็นมารดาอบอุ่มโลกพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลาย ย่อมยังเมตตาให้ปรากฏทางกายเมตตานั้นจะยังสักธาต่อผู้มองผู้สัมผัสผู้ได้เห็นเมตตากายกรรมจึงเป็นธรรมหนึ่งของพระโคติสัจเจ้าทาั้งหลายเมตตาวจีกรร ม, มีความเมตตาในคำพูดทั้งหลาย ยังประโยชน์เกื่อนคลณอาศัยความเกื่อนคลณอินดูความกรุปนาเมตตาวจิกรรมนั้นย่อมยัางซาทยายโมนไปยังทิศทั้งสี่ทิศทั้งแปดทิศทั้งสิบย่างให้มือโลกก็ท่าแสนจักรวาล สันสะเทือนย่อมย่างทิพยยะสมบัติทิพยยะวิมานเทพเ ท, ทวดาอารักทั้งหลายย่อมได้ยินเมตตาวจีกรรมของผู้ที่มีโพธิจิตเมตตาวจิกรรมที่สาธยายมนไปแล้วย่อมยัางความเกือกูนเอนดู คว า, ามกะลปนาก็อให้เกิดประโยชน์ชนแก่เราโลกกะระธาทั้งหลายเสียงไซยทายายของผู้มีเมตตาวจิกรรมนั้นย่อมยังความดีงามเหล่าชั้นบรรยากาศไม่ว่าสุนยากาศอากาศธาตุและดินน้ำลมไฟ ยอมจะรับรู้ในเมตตาวจิกรรมที่ได้แผ่ออกไปฉะนั้นผู้มีโพธิสัตว์ธรรมทั้งหลายจึงมีวจิกรรมอันเป็นประดุษมารดาพูดกับบุตรด้วยความรักความเมตตา โลกทั้งร้องย่อมเป็นพี่น้องกันด้วยเมตตาวิกรรมการอยู่รวมกันในสายทานแห่งเมตตานั้นจึงมีความเอ็นดูมีความกุศากันผู้ที่บำเพ็ญผู้ที่สัตธรรม โพธิจิตทหลายย่อมมีเมตตาในคำพูดทำให้ผู้ฟังเกิดความศรัทธาเลื่มใส่ใจเพราะได้ฟังคำพูดอันประดุษแม่ผู้อุ้มอุทอรพูดกับลูกในอุทธรย่อมมีความรักความเอ็นดู อาศัยความเอ็นดูนั้นเป็ น, เ, ปนเมตตาวิกรรมทำให้ผู้เข้ามาในรัสมีแห่งเมตตาวิกรรมมีความอิ่มเย็นมีสุขสวัสดิมงคลเทวดาอารักผู้ได้ยินก็ยอมยินดีช่วยเหลือกเกื้อกูลดังเช่น พระมหาการุณาธารณีสูตรอามเป็นประสูตรแห่งความเมตตาที่สาทยายด้วยดวงใจบริสุทธิ์พระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายย่อมมีมโนกรรมบริสุทธิ์แก่ทุกคนในทิศทั้งสี่ทิทั้งแปดและทิศ ท, ทั้งสิบ<ล> ย่อมย่างอานิสงส์ใหญ่บารมีอันยิ่งใหญ่ไพศาลเป็นอัปปมัญญาเมตตาเป็นมหากรุณาเมตตาดวงจิตที่ส่องไปย่างทิศทัทง้งไลยเห็นความทุกข์ของสัตว์ทั้งไลยประดุดความทุกข์ของตน โพธิจิตอันกว้างใหญ่ไพศาลยอมเกิดขึ้นเมื่อโพธิจิตที่อบรมหล่อล้อมเป็นอันหนึ่งอันเดียวแล้วยอมยามโพธิญาณยอมยามญาณใหญ่อาดิสทรงใหญ่บาลมีใหญ่คุณธรรมใหญ่ จิตใจอันยิ่งใหญ่ไพศาลไม่มีเครื่องกีดกันขวางกันมโนตามนานจึงเป็นความยิ่งใหญ่ต่อเราสัพพะสัตทั้งหลายผู้ที่บำเพ็ญบารมีใหญ่ได้รับอนิสงส์ใหญ่ไม่ว่าจะเดินทางไปทางใดจะพูดอะไร มีติดน้อมไปอย่างไรย่อมมีเมตตาเป็นที่ตั้งมีความรักความเอ็นดูความเกือ่อกูกลือนุเคราะห์สงเคราะห์เป็นที่ตั้งแม่เหลือดเนื้อก า, กายใจวัตถุสิ่งใดที่พ่อจะสละได้โพทิสัจเจ้าย่อมทนอยู่ไม่ได้ ย่อมสละสิ่งเหล่านี้เพื่อความเมตตาในใยกรรมวัติกรรมและมีความบริสุทธิ์ใจในการประทามนั้นๆมีไดหวังอามิสตอบแทนไม่ได้หวังความมีความเป็นแต่เพื่อเกื้อกูลเพื่อเม<ๆ>ตตา เพื่อความเห็นใจเพื่อความเข้าใจในการประธรรมนนๆยอมเกิดขึ้นที่ใจมีความสุขใจอิ่มเย็นใจเกื้อกูลด้วยความบริสุทธิ์ใจมิละนายคลายวางเปรียบประดุษแม่ยอมมีความรัก ความจริงใจต่อลูกมิเสื่อมนายคลายจางมีจิตใจประดุจดั่งแผ่นดินแม้ถูกเห ย, ยียบย่ำย่ำยีใดใดแผ่นดินก็ยมโ อ, อุ้มเลี้ยงดูอุ้มชูสัพพะสัตทั้งหลายโพธทิจิตโพธทิสัต ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันย่อมมีกายกรรมปริสุทธิ์วจีกรรมปริสุทธิ์มะโนกรรมปริสุทธิ์อาชีวะปริสุทธรรมะปริสุทธิ์ติปริสุทธิ์โพธิปริสุทธิ์ มีความบริสุทธิ์ในการต่าง ๆ, ๆแม้ในอดีตการปัจจุบันการและอนาคตการโพทิจิตโพทิ ธ, ธ ร, รรมโพทิบริสุทธิ์ย่อมเกิดขึ้นย่อมดำรงอยู่ย่อมดำเนินไป ไม่มีที่สิ้นสุดวงล้อแห่งโพธิธรรมยอมหมุนไปยอมยัางประโยชน์เกืือกคูนใหญ่ยอมยังอานิสงส์ใหญ่ไม่เห็นแก่อามิสใดใดหมุนไปยั่งโลกทั้งสามกามทั้งสี ความบริสุทธิ์นที่นั้นให้เกิดขึ้นขอจงฟังจงเข้าใจจงเห็นใจจงมั่นใจในความบริสุทธิ์ทั้งหลายเทวดาฟ้าดินอินพรหมยมยากทั้งหลายยอมทราบถึงความบริสุทธิ์ บวาเทนโพธิสัตธรรมโพธิญาณธรรมย่อมเอาใจช่วยย่อมช่วยเหลือผู้มีความบริสุทธิ์ผู้มีความบริสุทธิ์นั้นแม้ไม่มีผู้ใดเข้าใจในความบริสุทธิ์แต่ความบริสุทธิ์ย่อมเป็นหลักตั้มั่นใจ ในใจผู้มีความบริสุทธินั้นๆแม้เวลาก็ไม่อาจกลืนกินความบริสุทธินั้นได้ยอมยางความบริสุทธิ์ให้มัน่นเมื่อมีความบริสุทธิ์แล้วความเป็นไปการดำเนินไปของผู้บำเพ็ญโพ ธ, ธรรรรริสัตยานผู้นั้น ย่อมยังวัตตะสงสารให้บริสุทธิ์ในอดีตการไก่พระโพธิสั์เจ้าทั้งหลายก็มีความบริสุทธิ์เป็นกรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งจิตเป็นกายกรรมเป็นวัตกรรมเป็นมโนกรรม เปรียบประดุจทองคำเนื้อบริสุทธิ์ไม่ว่าจะอยู่ในโครนตมบนยอดมงกุฎหรือบนยอดเจดีย์ทองคำย่อมคงความบริสุทธิ์เจิดจ้าแจ่มจรักผุดทองปราจะจับมนทินย่อมส่องประกายให้รู้ให้เห็น ให้ราบให้สัมผัสอย่างความยินดีให้มากขึ้นมากขึ้นฉะนั้นเราทั้งหลายจงน้อมใจในความบริสุทธิ์ของพระมหาโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายให้บังเกิดขึ้นให้มีขึ้นด้วยความยินดีด้วยความเต็มใจ ด้วยความมั่นใจจัดทาในใจของเราที่มีโพธิสัตว์ธรรมเกิดขึ้นเราจงน้อมนำกระทำบำเพ็ญให้มีขึ้นเกิดขึ้นปรากฏขึ้นผู้ที่บำเพ็ญโพธิสัตว์ธรรมนั้นย่อมมีคุณธรรมแห่งความมีปัญญา เมตาก็เมตตาที่มีปัญญาเป็นเมตตาที่อาศัยปัญญาในความเกื้อกูลในการเอ็นดูในความกรุณาเป็นปัญญาที่อบอุ่มโลกเป็นปัญญาที่คอยชี้แนะบอกกล่าวสั่งสอนตักเตือน เป็นปัญญาที่ได้บำเพ็ญแล้วเป็นปัญญากายกรรมเป็นปัญญาวจิกรรมเป็นปัญญามานุกรรมเป็นปัญญาแหง่งสัจจะเป็นปัญญาแห่งความบริสุทธิ์เป็นปัญญามหปัญญา ปัญญาแห่งพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายยอมเป็นมหาปัญญายอมยังประโยชน์ใหญ่ยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านยางปัญญาที่จะรื้อสัตว์ขนสัตว์บิดได้วังการยกย่องสรรเสริญเคารพบูชา เป็นปัญญาที่เป็นไปเพื่อความเอ็นดูเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลยอมยางประโยชน์เพื่อคูนแกเราสรรพสัตว์เป็นปัญญาที่ยังวัตฏะสงสารให้เจริญเป็นปัญญาเพื่อละวัตฏะสงสา น, นั้นจะน้น พระโพธิศัต้ายอมมีปัญญานายการเสียสละมิวังสิ่งใดๆทั้งสิ้นเป็นปัญญากว้างใหญ่ไพศาลมิรู้หมดสิ้นโดดดังพระรังแห่งแสงอาทิตย์แห่งแสงอทิตแสงธรรม อันรินไล่สู่โลกนี้มิรู้หมดสิน้นปัญญาแห่งพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายไม่ว่ากับได้กันใดพลังแห่งปัญญาที่เปร่ปงปรังแววไวก่อปรกากยแสงเจิดจรระเจจาย่อมเกิดขึ้นมีขึ้น การเสียสละนนานๆยอมยางบารมีใหญ่อานิสงใหญ่ต่อผู้ที่ใช้ปัญญาเสียสละรับชายชนทั้งหลายมิได้วางคำยกย่องสันเสริมการเสียสละนนานๆล้วนมีปัญญาเป็นที่ตัง แม้แต่การให้อภัยก็ให้อภัยด้วยสติปัญญาเพื่อการสั่งสอนการกตักเตือนการเอื้อเอ็นดูเป็นการให้อภัยดูดแม่ให้อภยัอภยลูกไม่มีความพยาบาม อาคาจองเวรใดๆต่อลูกแห่งคำพ่าน์้องตนโพธิสั์ปัญญานั้นยอมเอ็นดูโดยใช้ปัญญานั้นๆ n ปกป้องอุ้มชูเลี้ยงดูอนุเคราะห์เกือ้อกูลให้อภัยต่อลูก n นนั้น ปัญญาจึงเป็นคุณธรรมอันยิ่งของพระโพธิสัตว์เจ้าฉะนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าย่อมเตลินด้วยคุณธรรมพรโพธิสัตธรรมทั้งสี่ประการคือเมตตาสักริสุทธิ์ปริสุและปัญญา ขอลาโยคาวาจรเจ้าทั้งหลายพระโพธิีศัตว์เจ้าทั้งหลายพระมหฮาผู้ทีศัตด์เจ้าทั้งหลายจงน้อมนามโพธิ่ธรรมให้เกิดโพธิี่จิตในจิตมหฮาจิตด้วยเธอ